อาจจะไวัยมากนะคะคนดูเหมือนอาจจะไม่อาจจะไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่โยมก็ไม่ได้ให้ความที่จะตรงนั้นเป็นประเด็นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าในวันไหนที่รู้สึกไม่วุ่นวายเนี่ยก็จะเอามาตรึกอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นใช้พิธีอย่างนี้มากกว่าไม่ค่อยเดินเป็นรูปแบบหรือว่า ตั้งใจนะคะซึ่งถามว่าความตั้งใจดีไหมดีจะทําให้ปารพเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะตรงนี้ถ้าถามว่ายังเป็นสิ่งที่ขาดอยู่ซึ่งควรสร้างให้เกิดสร้างให้มีขึ้นนะคะแต่ถามว่าถ้าทำเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยแล้วแต่เหตุการณ์เลยค่ะ บ, บางครั้งก็ส่วนใหญท่ที่แน่นอนก็คือปารพเรื่องการ เวลาสละทุกครั้งก็จะปราบรบเรื่องการขข่เกลาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนอธิษฐานบ่อยบ่อยขึ้นนะคะจะเอาเรื่องของการอธิษฐานเพราะว่าพยายามจะสร้างอาชาสายหกให้เกิดขึ้นนี่คือเป้าหมายหลักของโยมเลยนะฮะนะครับตอนนี้จะมาพูดถึงทานเนี่ยเหตุว่าคนจะให้ลึกซึ้งได้ด้วยอย่างไรก็คงมองทานในหลายๆอย่างนะะมองว่าคำว่าทานเนี่ยคืออะไรนะะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วทานเนี่ยเกิดขึ้นได้ ด้วยสิ่งแวดล้อมคืออะไรบ้างมองในเ ร, งเรื่องปัจจัยสี่ก็ประการหนึ่งมองในเรื่องทวารทั้งหกนะฮะก็ประการหนึ่งนะฮะมองด้วยเรื่องของเจตนาทั้ง3ก็ประการหนึ่งมองในเรื่องของการให้ผล ก็ประการหนึ่งเพื่อความครอบคุมต่างๆที่เรียนเรื่องของกรรมมาและมองในเรื่องของอัชาสัยก็อีกประการหนึ่งก็จะรวมๆแล้วแต่ว่าเวลาไหนทําได้เพียงแค่ไหนครอบคุมแค่ไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องทวารที่แห่งการเกิดนั่นก็อีกประการหนึ่งเพรา ะ, ะนั้นก็คือสิ่งที่แต่ละคนแต่ละคนเอาสิ่งที่เรียนอยู่เนี่ยมาใข้ครวนตามที่ในขณะนั้นที่จะกระทาได้แต่ถ้ามีเวลาว่างๆเหมือนกับเรา ทำแบบฝึกหัดทบทวนแบบฝึกหัดก็พึงทําให้ครอบทวดนะฮะแต่ไม่ได้ครอบทวดอย่าไปกังวลเพราะความขนหนักงวดเกิดขึ้นนั่นอกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วะนะฮะก็ปล่อยให้ไปตามที่ว่าเราทําอย่างไรแล้วกุศลจิตจเจริญขึ้นค่ะโยมก็จะใช้วิธีนี้มากกว่าแต่ถามว่าใข้ควรบ่อยไหมไม่บ่อยแต่ถ้าในลักษณะสระออกทุกครั้งแล้วก็ปลารบกันขัดเรานี่เรียกว่าถ้าร้อยครั้งก็อย่างน้อยก็95ครั้งค่ะ เพื่อความผข้กลาวแล้วก็เพื่อตั้งอธิษฐานเนี่ยการอธิษฐานก็คงในร้อยครั้งที่สละกก็คงมีไม่น้อยกว่า50ิครั้งอะไรอย่างี้นะะก็จะเป็นลักษณะนี้ <ขา S 2> แล้วแล้วแล้ ว, ล ว, ลวดวงตาไง อ, อ, อยากฟังหน่อยเมื่อเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรชัดเจนที่พระอาจารย์บอกแต่ว่าก็นึกว่าเพอเพ ลงรดก็นึกถึงว่าจะไปซื้อดอกไม้มาถวายแล้วก็ขณะที่เดินไปก็นึกว่าเราจะถวายศีลบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ก็ไปซื้อมาอแล้วแล้วแล้ ว, ลวเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วทำมาลมก็ตอนหลังก็มานึกเพิ่ม<อ>จ้ะค่ะเป็นบริวารไ <ป S 1> มานึกเพิ่มค่ะแต่ว่าตรงนี้มันเด่นขึ้นมา<อ>แล้วก็ ก็เสร็จแล้วก็เวลาถือก็ถืออย่างระมัดระวังเพราะว่ากลัวดอกไม้จะช่ำก็อย่างเงี้ยหาก็มาถึงเจ้านอาจารย์ก็น้อมน้อมถวายชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ค่ะก็วิธีตั้งก็คือตอนนี้ตรงตั้งเนี่ยก็รู้สึกมันจะน้อยเป็นนิดนึงคือคือปริมาณที่เราเราเราเดินมาเราหน้ามา ปริมาณของปุพพะเจตนาตรงนี้คือใหม่ๆก็าอาจจะอาจจะล้มลุกคลานนะไม่เป็นไรนั้นของสิ่งใดก็แล้วแต่การที่ระดมบ่อยๆระดมบ่อยๆนั่นแหละนะข้านะข้าก็จะเกิดเป็นอัธยาศัยความคุ้นเคยเพื่อความเคยชินเพราะการกระทำในลักษณะนี้เพื่ออะไรเพื่อทำสามการให้บริบูรณ์ใช่ไหม ว่าการการเดินกุศลครบสามการเนี่ยเป็นความดีงามที่พระศาสดาที่ในในชั้นคำสอนท่านท่านกำหนดแยกแยะไว้ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเ อ, อน้อมปุบพระไม่ค่อยได้โดยมากจะได้ในขณะประจวบเลยเนี่ยหรือหลังจากนั้นบางครั้งก็ลืมลืมไปอเงี้ยเนี่ยเรามันจะประโยชน์มันจะได้ไม่ได้เพราะกุศลนั้นเกิดขึ้นมาแต่ละขณะแต่ละชาวนะ แต่ละหลายร้อยหลา ย, ลายพันชาวนาะนีมันก็ให้ผลมากมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่พอต่อการเป็นอัธยาศัยต่อการที่จะไปเกื้อกูลศีนกุศลไหตรงนั้นอะ่ะเพราะเราต้องการอะไรต้องการที่จะให้ขัดเกลียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่หรือถ้าต้องการให้ขัดเกลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะั้นมันก็ต้องเดินเป็นระบบนะต้องเดินให้เป็นระบบแล้วก็ให้ต่อเนื่องสําหรับคนที่เขามีความคิดได้กว้างขวางได้ลึกซึ้งหรือได้อย่างแยกแยะเยอะ เห็นอะไรก็าปลารบได้เร็วๆนั้นก็อันนั้นก็เป็นกรณีพิเศษไปใช่ไหมเอออย่างเราท่านทั้งหลายที่จะต้องเดินเป็นไปตามลําดับเนี่ยก็ต้องทําพื้นฐานให้แข็งแรงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะตกลงมาแฟบอีกใช่ไหมดงนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องปลารบบ่อยๆจนเป็นอัจยาสายอ่ะเอามาเป็นคนที่มีความคิดไม่คล่องแคล่วมาก่อนเนะี่เป็นคนที่มีความคิดน้อยมาเลยก็เลยต้องเดินระบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็เวลาฝึกท้า ฝึกเนรทั้งหลายก็ฝึกแบบนี้กันนะพอฝึกแล้วเนะี่ยบางท่านก็ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สาอาทิตย์อะไรเงี้ยบางคนถึงเดือนบางท่านต้องฝึกมาสองปีสามปีนะจนจิตใจนั้นคุ้นเคยแนละ้วแต่ทําไมพระต้องทำํำมันไปอยู่ในข้อของสารานิยธรรมไงคือการแบ่งปันนั่น mm hmm. แหละนะการแบ่งปันนะมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมใช่ไหม สาธารณาโภคีนั่นแหละคือฐานที่พระท่านทำต่อกันเน่ยทานในกุศลแล้วก็ศีลสามัญญาตาที่ถีสามั ญ, ญาตาไงหลักสาลานธรรม ท, ที่พระจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกัน น, นี่หลักตรงเนี้ยถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีตูวจุดยึดโยงเชื่อมโยงกันเลยนะโดยเฉพาะพระและจิตใจเขาจะไม่อ่อนโยนอยู่ด้วยกันก็จะขัดแย้งในตรงนี้ใช่ไหม มีข้อที่ท่านอาจารย์ว่าเป็นลาดับเนี่ยมันมีข้ออย่างงี้นิดนึงนะเจ้าค่ะที่โยมได้คุยกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าจะเดินตลอดสายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังพอเดินไม่ได้ปุ๊บพยายามพยายามเดินให้ได้ตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าลาดับแล้วเนี่ย ความเป็นอกุศลมันเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นโยมกับแน่ว่าบางคนยังทําไม่ได้เอาเท่าที่ทําได้แล้วใช้เวลาที่ว่างๆที่ปลอบปรงแล้วเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่อยมาให้กลัวทีหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยในขณะนั้นกุศลเขาไม่เจริญและความเครียดเขาเกิดขึ้นจนแบบคือคือเรื่องอป布拉布拉เจตนาสําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญนะตรงนั้นเนี่ยเอาต้องต้องเอามาปรับลแน่นอนเพราะเพราะว่ามันทําไปแล้ว ถ้าไม่เอามาปารถเนะนี่ยกุศลมันก็จะเบาลงแล้วใช่ไหมจะเบาเนะี่ยเขาก็จะลืมไปเลยกุศลตรงนั้นก็จะหายไปจากใจเราเลยนึงทีนึกไม่ออกเลยแล้วอะไรเด่นในใจอก็ไม่มีเลยได้มากก็เป็นประเภทบาปเด่นไปอย่างเงี้ยต้องระวังตรงนี้ เมื่อเอาเ อ, าอาระรรตเจตนาเพียงอย่างเดียวไหมคะว่าในขณะที่ประสบต่อเฉพาะหน้าที่ได้การทำเนี่ยสมมุติเนี่ยเขาไม่สามารถทำลำดับต่างๆได้หมดเพียงแต่คิดได้เรื่องสีเด่นใช้ก็ทำตรงนั้นไปแล้วก็เกิดกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยยังไม่ครบท่วนอย่าไปกังวล ะะพอเขากังวลเนี่ยเขามีความรู้สึกพอเขาฟังแล้วเขาทําไม่ได้ตามนั้นแล้วเขาก็พยายามคิดเอ๊ะทำยังไงเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยความอากุศลมันเกิดขึ้นนะคะโยมเขาบอกว่าคิดไม่ได้ตรงนั้นอย่าไปกังวลทั้งสิ้นค่ะคิดได้ตรงนั้นขณะนั้นใจที่เป็นกุศลเนี่ยคิดได้เท่าไห น, นทําเท่านั้นแต่เอาเ ว, เวลาว่างๆที่บางครั้งสมองเราสบายๆตอนเย็นๆแล้วค่ํำๆแล้วเนี่ยบางคนเขาก็ทบทวนสิ่งที่กระทาที่มาทั้งวันเนี่ย ก็เอามาไล่เหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องทบทวน <f ist> นะฮะอันนี้จะเป็นวิธีฝึกปืนในเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้ความเจริญความคล่องแคล่วค่อยๆเกิดขึ้นได้ <f ist> จา้าค่ะคือคือจริงๆต้องหลักหลักการหลักการถ้าเครียดรู้วิตกังวลก็เป็นบาปอยู่แล้วไม่ควรให้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าบอกเอ๊ไปเดิน ใคร่ควรเบ็ยดเสร็จแล้วมันทําไม่ได้พอทําไม่ได้แล้วไปวิตกกังวลอันนี้ก็บาปแทกใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังนะเนื่องเพราะจริงเป้าหมายทั้งหมดจริงๆเป้าหมายการเจริญกุศลใช่ไหมแล้วแล้วถึงบอกว่าเวลาพูดถึงทานในกุศลก็ต้องมัเชื่ยมยอมโยงรู้จ ก, กรรมใช่ไหมต้องชัดเจนว่าเออในกุศลกรรมเลยกุศลกรรมเกิดขึ้น น, นะตรงนี้ก็คือว่าในด้านของทานในกุศลที่ ที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือว่ากายกรรมที่เป็นทานกุศลวัจีกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วก็มโนกรรมที่เป็นทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้ก็ก็ฝึ ก, กที่บอกว่าเวลาจะทําทานกุศลให้เกิดขึ้นท้าราปารภปารภก่อนในชั้นของคําสอนเนี่ยท่านจะสอนอยากายกรรมในขณะที่ดําเนินไปแก่ผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยมือของตนเองเนี่ยเป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศล หรือในขณะที่มีการบูชาพระรัตนตรยัยแนะนําชักชวนบุตรหลานญาติมิตรข้าทาสบริวารทั้งหลายและก็บุรุษเป็นต้นเหล่านั้นให้มีการบูชานั้นนวจีกรรมก็เป็นทานกุศลในขณะปารบวัตถุที่มีอยู่ตามที่ได้ ก, กล่าวไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ทำมารมณ์ก็ตำหนิว่าเราจักให้สีเป็นทานให้เสียงเป็นทานเป็นต้นเหล่านี้ยโดยไม่ทํากายเราอาจารย์ให้เคลื่อนไหวอันนั้นก็เป็น มโนกรรมที่เป็นทานกุศลกุศลจิตนะชื่อว่าเป็นทานโดยลักษณะนะด้วยการเปล่งวาจาว่าเราจะถวายจักอธรรมแต่ถ้าหากบ อ, อกว่าถ้าคิดปารบวัตถุอย่างเดียวไม่ทํากายไม่ทําวาจายเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเป็นต้นไป น, นีอันนี้ก็เป็นหลักที่จะต้องระดมทํากุศลให้เกิดขึ้นแล้วอยอมต้มยากหรือเปล่า ก็ก็ใช้มุมแคบๆไปก่อนเนาะบางทีหลายๆเราอาจจะมองยทำไมหลายๆคนเขามองอะไรเขาเป็นได้ปุ๊บป๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ไหมเราก็มองจากมุมมุมเล็กๆไปก่อนแล้วค่อยขยายไปอ้าวลองดูดิ ได้ได้ว่องไวมากคือการเนี่ยเรื่องของทานเนี่ยพ้นชัดเจนที่พระองค์เป็นพุทธประสงค์ก็คือเรื่องความขัดเกลานึกแค่ตรงนี้พอว่าวัตถุที่ได้หามาด้วยความสุจริตเนี่ยขอสระออก นะเป็นไปเพื่อความขัดเกลาวความโรคความตันนิที่มีอยู่นะคะเราจะอนุเคราะห์อะไรก็กล่าวไปนะคะและสิ่งต่างๆที่ได้รับรู้ที่ได้รู้สิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นพ่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระองค์ซึ่งสร้างบารมีมากว่า20ประสงค์ขแสนกลับนะคะให้รักลึกตรงนี้นะคะขอความอันนี้เป็นไปเพื่อความขัดเกลว นะคะแล้วก็นึกถึงความสุจริตของวัตถุต่างๆที่ได้มานะคะแล้วก็เอานี้บูชาพระองค์แล้วก็ข อ, อและด้วยความเข้าใจตามพระธรรมคําคสอนว่ า, ากรรมการให้ผลของกรรมผู้ให้เป็นผู้รับและก็กล่าวต่อเลยว่ า, าทราบถึงอันที่สอของการให้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งความขเราจำเป็นอาาาัจฉริยะซึ่งเป็นประการยิ่งสําคัญประการหนึ่งผลที่ได้รับก็คือสเบียงที่จะใช้เป็นการเดินทางที่จะออกจากวัตฏะ แต่ให้ว่าแม้กระทั่งเสบียงเดินทางจะมากมายประนี้ประนอมก็เป็นไปเพื่อความไข่กล่าวเพื่อสร้างบารมีทั้งสิ้นแล้วก็อธิษฐานดูว่าอันเนี้ยสั้นๆคนจะเข้าถึงได้แล้วต่อไปก็ค่อยเพิ่มคนอย่างอื่นอันนี้เนี้ยมันจะทาได้โดยอัตโนมัติมากเลยแล้วโยมตุ้มอย่างนี้ไหว้ไหมยังไงอ้าว่าหมางว่าต้ว่ายบังเลยดิอย่างยาวเยอะเอาดิเยอะอย่างนี้เป็นยังไงเอาเอาสั้นก่านี้หน่อยทีอ้าว ว่ากันลองแนให้สั้น ก, นนกว่านี้ีก่กัก็ยังยาวไปอีกอรองจริงพอจักสั้นแล้วมันก็จะยาวได้นะฮะหนึ่งก็การสละนี้เนี่ยวัตถุที่ได้มาโดยสุจริตเนี่ยนะคะเพื่อความขัดเกลาความตณีที่มีอยู่ขอสิ่งอันนี้เนี่ยให้เป็นไปเนี่ยเพื่อ ความที่จะพ้นทุกข์และเข้าใจกรรมการให้ผลของกรรมนะแม้พุททรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ยนะคะด้วยกรรมกันให้ผลของกรรมจะเป็นไปเพื่อความสละออกทั้งสิ้นเพื่อบรรลุพอได้ไหมยอนตุ้มแคนี้พอได้ไหมโอ้เนี่ยเนี่ย เอาว่าไงฮะไม่ใช่คือคิดยังไงสละแต่ละครั้งเนี่ยลองฝึกสิฮะพอต่อไปเนี่ยมันมาเร็วเหมือนกับว่าเหมือนกับเรารู้เรื่องอะไรอ่ะ uh, มันมาเร็วอย่างนั้นเลยค่ะ ไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งพูดอย่างที่โยมพูดนะฮะมันจะมาโดยโดยอย่างอย่างประมวลมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันเรารู้เรื่องอย่างตุ้มรู้เรื่องสมมุติคุณตัวได้ตัวหนึ่งอะไรอย่างนะะี้นะก็รู้โดยเร็วอย่างนั้นเลยโด ย, โด ย, โด ย, โดยไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาเลยค่ะมันจะเร็วมากเลยค่ะลองลองลองลองทำดูนะคะสิ่งใดที่เป็นธรรมจนกระทั่งเนื่องกับตัวเองเนี่ยอันนี้มันจะเร็วมากเลยค่ะตกลงที่ทําโยมเป็นยังไงบอกหน่อยขอให้สิ้นอาสวะกิเลส แล้วพอคิดอย่างนั้นแล้วใจเป็นยังไงใจแล้วก็เคยสังเกตสภาพจิตใจตอนนั้นบ้างไหมบ่อยไหม <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้แหละ <c oughs> ต่อไปต่อไปต้องต้องต้องสังเกตดูนะว่าสภาพจิตใจบางครัง้งความคุ้นเคยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันปรับอยู่ระดับจิตประเภทไหนบางก็ไม่รู้นะี่ยต้องสังเกตด้วยเพราะว่าตัวสละตัวความเข้าใจจริงๆนะบางทีบางทีคําพูดเมื่อมาเนี่ยอาจจะพูดคล่องๆไปแต่ใจจริงๆอาจจะไม่ได้สละงั้นก็ได้เน่ยใช่ไหมเมื่อมาเนี่ย หม่มอย่างที่จะมาเอ๊ะเอ๊ะทําไมสละได้จริงแต่ทําไมไม่สดชื่นไม่อะไรเลยเนี่ยเนเอ๊ะทาไมมันสละได้แต่มือสละได้แต่กายสละได้แต่ของไม่ใจไม่ยอมสละออกไปบ้างเลยกนะ็เลยมันดูดูแล้วเอ๊ะมันอย่างงี้มันยองติดข้องอยู่หรือเปล่าอะไรก็เนี้ยนั่นแหะนั่นแหละนั่นแหล ะ, ละต้องหาให้เจอต้องหาให้ได้ไนะต้องหาให้ได้ เพราะว่าที่สุดจริงๆสภาพแห่งจิตใจเนี่ยคือมันจะมันจะเข้าใจนะเมื่อให้จนเป็นอัตย า, ายัยเมื่อรู้จักสละจิตที่รู้จักจะให้แล้วเนี่ยเพราะว่าตัวสละนั้นเป็นตัวนามธรรมใช่ไหมตัวตัวมีการหยิบยื่นให้นั่นเป็นตัววัตถุไปทีนี้เมื่อวัตถุออกไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามันมีความเข้าใจอย่างรวดเร็วอย่างที่โยมกิ่างการพูดมาว่าเออมันอย่างรวดเร็วเลยอันนี้ความชำนาญน่ยนี่บางท่านยังมันได้มันไม่ได้ความชำนาญตรงนี้เลยบางทีอาจจะคิดไปตามชื่อที่ท่องว่าขอให้เป็นไปเพื่อการสิ้นนะสะวัสดกิเลสก็จบแค่ตรงนั้นก็ไม่ได้ตามอะไรมาเลยน่ยใจราต้องดูผลปรากฏนะเจ้าคะ่ะที่จะดูว่าเราขัดเราได้ดีหรือไม่ดีนะะ โยมยังไม่ค่อยได้ให้ความสัมพันว่ากับความาสิ่งสิ่งถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยเป็นอะไรที่สูงมากความที่เกิดสมณัสขึ้นน่ย น, นะคะสมมุติในสิบอย่างเราอาจจะสมณัส อ, อาจจะครั้งสองครั้งก็ตามโยมให้กับความที่ว่าใจเป็นผู้สละออกได้เสมอๆตรงนี้โยมจะดูจากผลปรากฏตรงนี้นะจ๊นนะคะแต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ชานฉลาดมากขึ้น เอาสิ่งตรงนั้นที่อปรรยเจตนามาทบทวนได้บ่อยๆมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะเสริมสร้างความเข้มแข็งความเป็นอารมณ์ที่มั่นคงที่จะเป็นอัจฉรัยที่หนักแน่นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งะซึ่งซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยยมเห็นประโยชน์ของการที่เราเอามาตรึกมาไข้ควรอีกครั้งหนึ่งซึ่งการมาตรึกให้ควรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างทราบซึงเนี่ยมันจะมีหลายๆมุมที่จะทาให ความทราบซึ้งในทานคุณสนอันนั้นเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นตัวช่วยเยอะแต่ให้ผู้กระทำเนี่ยอย่าได้กังวลเลยขอฝึกยังไงก็ตาม เป็นพูดสละออกได้บ่อยๆในอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นนะอย่าไปกังวลเอ๊ะตรงนี้เราไม่เกิดอย่างนี้เราไม่เกิดอย่างนี้แล้วทําให้ใจที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำทานของเรามีผลไหมยอย่าได้กังวลไปเลยเมื่อไหร่ที่ใจสละออกอย่างไม่ติดข้องแล้วนั้นเนี่ยนั่นเนื่องจากว่าอารภพทานเราเข้มแข็งแล้วนะคะอย่าได้กังวลแต่ถ้าจะทําให้ดียิ่งขึ้นก็คือ เอามาทบทวนเพื่อความปราโมาปิติที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ท่านโยม<ช>โยมโยมีความข้อคนคือตัวโอะโลพาเนี่ยเป้าหมายจริงก็คืกระตุ้นปัญญากระตุ้นปัญญาโยมเพราะธรรมชาติของกุศลเนี่ยไม่ติดข้องอยู่แล้วอารมณ์เนี่ยไม่ติดข้องอารมณ์อยู่แล้วเพราะมหากุศลทั้งแปดวงไม่มียึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์สภาพเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งเราตั้งอัธยาศัยโดยแล้วเนี่ยสภาพกุศลมันเกิด แต่เป้าหมายจริงๆน่ะอโลภะเด่นขึ้นเพื่อปัญญาเนี่ยเพื่อปัญญาที่ไปรู้ไปเข้าใจเนี่ยไปรู้ไปเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมทีนี้สภาพของปราโมดและปีติปสัสสติหรือความสุขสมมานัททั้งหลายเหล่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมานั้นเป็นสภาพของมหากรุสโสมมานัทฉะนั้นมากมหากรุสโสมมานัทซึ่งมันเกิดจริงๆเมื่อเกิดความเข้าใจเนี่ยมันเกิดได้เมื่อเมื่อจะเมื่ออโลภะนี่เนี่ยมันเด่นชัดขึ้นใช่ไหม เพราะทานากุศลเนี่ยโลภะจะต้องเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไอ้ตัวตนนีก็ถูกทําลายมากขึ้นใช่ไหมเพระเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเขาก็ไปกระตุ้นเพราะตัวสังขารธรรมทั้งหลายเขก็กระตุ้นปัญญาดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะสภาพของปัญญาเจตสิกเนี่ยมันเกิดยากนั่นมันจะเกิดในการก่อนหรือขณะทำหรือหลังแต่ทำเนี่ยมันก็ต้องมีการกระตุน้นจนเกิดให้ได้นั่นแหละเมื่อเกิดความเข้าใจเบ็ดเสร็จอย่างนี้ขึ้นมาตรงนี้แหละทานากุศลก็จะเริ่มแข็ ง, ข ง, แ, ขงแกร่งมากขึ้น เพราะถ้าปัญญาได้มาเข้ามาทํากิจเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มชํานาญและเริ่มชํานาญในเรื่องของกรรมผลของกรรมและและการติดข้องเนี่ยเขาไม่ติดจริงๆดังที่ยอมพูดมาเนี่ยเพราะสภาพของกุศลจิตจะไม่ยึดติดในรูปเสียงกิริยสัมปัตตแล้วก็ทำอารมณ์สภาพเป็นอย่างไงสภาพแท้จริงในขณะเกิดเป็นอย่างนั้นค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ให้คุณหรือไม่ได้พิจารณาแล้ว ความติดข้องเกิดขึ้นมันเป็นวิถีที่ขั้นกันเจ้าค่ะ อ, น อ, นอันนี้ค่ะมันจะเป็นตรงนั้นค่ะใน<ด>ในสภาพตอนสระออกเนี่ยมันไม่ขัดข้องต้องแม้กระทั่งเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยในวิถีที่จะเป็นไปเนี่ยต้องแน่นหนามีวิถีที่จะมีความที่ตอนเหนืหรือมีวิถีอะไรต่างที่เสียดายหรืออะไรภายหลังต่างๆ ต, ต้องเกิดขึ้นได้ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะการการตั้งอัธยาศัยก็ดีการอธิษฐานก็ดีเนี่ยเป้าหมายก็เพื่อก็เพื่อ น, นั่นแหละความแข็งแกร่ง ทนเพิ่งบอกว่าอันนี้ก็ไปอยู่ในไหนหลักหลักก็สี่หลักใช่ไหมสี่หลักในไหนในอัตสาลีนีที่ท่านกล่าวไว้ที่บอกว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นนี่ไหมหลักนี้กระหลักนี้แหะอันที่สองก็คือฝึกจิตให้คุ้นเคยกับกุศลแล้วก็ปฏิเสธบาปให้งอให้โอนตามกุศลประการที่สี่ก็คือว่าทําความคุ้นเคย เสพคุณจิตที่เป็นกุศลให้ต่อเนื่องให้ยาวๆซึ่งเราทําไม่ค่อยได้ตรงนี้ประการต่อมาก็ต้องวางหลักตัวโยนิโสมในสิการการคบบัณฑิตการฟังธรรมและการโยนิโสมในสิการเป็นต้นเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนั่นเองก็หลักสี่หลักที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าหลักที่จะทําให้กุศลชาวนะดวงแรกชาวนะมาหากุศลดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็มาจากอะไรมาจากการตั้งอัธิยาศายัยก็คืออันสละนะั่นแหละตัวนั้นแหะถ้าน้อมทานก็น้อมสละ ท่านน้อมศีลก็คือน้อมในการที่จะไม่ให้ไกายยากรรมวจีกรรมเป็นต้นเนี่ยเกลื mm ่อนกนก็จะกระจายด้วยการทุศีลเป็นต้นงั้ mm hmm. น, น, นมันก็เข้าหลักนะหลักที่โยมว่าไว้ก็เข้าหลักในชั้นของรมศอนตรงนั้นแหละทิงบอกว่าเราจะต้องเดินก็ไปสู่จุดตรงนั้นแหละเป้าหมายก็คือต้องการอะไรต้องการที่จะเข้าถึงสภาพจิตใจที่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นใช่ไหมเพราะจริงๆอะอย่างที่ที่ได้กล่าวกันสักครู่ก็คือว่า ผลของทานกุศลมันก็ไหลไหลมาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ตั้งหลักหรือไม่ตั้งจิตที่จะอธิฐานก็ไว้ที่สุดจริงๆสิ่ ง, งต่างๆเหล่านั้นไหลกลับมาก็จะไปติดใช่ไหมแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อการที่จะสละอย่างต่อเนื่องฉะนั้นการตั้งสัจจะบา ร, รมีอธิฐานบา ร, รมีมันก็เลยมาเกี่ยวข้องเลยแต่เนี่ยนะเมื่อเกี่ยวข้องกับการจะเป็นไปเพื่อการสละพอจะได้ออย่าง ยอมทัดดาววะไงทำยังไงเจริญทานกุศลบ่อยไหมแล้วเวลาเจริญทำไงปบปบปบพาเจตนาพอได้แรงแข็งแรงไหม คิดเมนูอาหารไว้เลยว่ามีอะไรบ้างเพราะนี้มีเวลานี่นี่กลุ่มคนมีเวลาเอาเ <ฮะ S 1> อา <c oughs> เอาลองดูกลุ่มคนมีเวลาเดียก็มันค่อยทำงานเนี่ยนะเอาลองดูคิดคิดเมนูอาหารไว้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็เออก็ก่อนที่จะทํานั้นก็ต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธ เ, เจ้าก่อ น, อนก็ไปอธิษฐานจิตต้องยอมเล่าก็เอาว่าไปนะคะ ไปนอกจากสมาทานแล้วก็อธิษฐานจิตเพิ่มขึ้นอีกนะฮะแล้วก็อธิษฐานยางยอมอยกางงานว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้พูดถึงอธิษฐานที่จะให้หลุดพ้นจากการพ้นทุกข์ะคะ่ะอ๋อเอาว่าไปค่ะค่ะคือคือทำไปเพื่อบูชา คุณพระรัตนตรัยจริงๆค่ะเพื่อบูชาให้นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้านะฮะแล้วก็ขนาดที่ก้าวขาออกไปออกจากบ้านไปนั่งในรถไปนี่ตรึกไปตลอดถึงบุญที่จะเกิดในคือทำจิตให้เกิดปิติสมณัตว่าเนี่ยเราเนี่ยโชคดีที่เราได้มีโอกาสในการที่เราจะได้ ทำอาหารมาถวายพระอาญาสงฆ์พระสงฆ์นะคะซึ่งเป็น เ, เป็นหนึ่งในรัตตนะหนึ่งคือพระสังฆลัตตนะที่ควรเคารพ บ, บูชายิ่งนะคะคือทัดตรึกไปตลอดทางโดยที่ทั้งบัญญัติแยกออกว่าในขณะที่ ยิบของเป็นบัญญัติแล้วก็พิจารณาปรมัตดกับบัญญัติสลับกันว่าแยกแยะว่าสิ่งนี้ที่เราพิจารณาอยู่คือตัวบัญญัติสิ่งนี้คือเป็นปรมัดนะคะบุพเพเจตนาที่เป็นสมานัตเนี่ยจะเกิดตลอดเลยนะะจะ<อ>เกิดตลอดต่อเนื่นองมันจะเป็นสมานัตได้ยังไงเมื่อเราไปคิดอย่างนั้น <c oughs> มันไม่เครียดเลยคิดมากๆมันจะสดชื่น <c oughs> มันจะเบากายเบาใจมันรู้สึกว่า เราโชคดีเราได้มีโอกาสทำอาหารไปถวายพระพิสุขนะะนะโดยเฉพาะพระพิสุผู้อาพาธแล้วก็นำพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามาเก่ามาบอกมาสอนมาแสดงเนี่ยนะนะแล้วก็พระพิสุองนั้นท่านก็ได้หม่ม อ, อย่างนี้ก็เยอะตัวบุคคล ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะคะยึดยึดทัดถวายพระอริยสงฆ์แต่ผู้รับผู้รับนี่คือตัวแทนเท่านั้นนะคะน้อมถวายพระอริยสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงบุคคลอะไรนะคะใช่แล้วก็ คือทุกขณะจิตไม่ว่าจะคิดหรือจะพูดหรือจะทำพยายามที่จะให้เจตนากรรมที่เป็นไปกุศลเกิดในขณะที่มุนจะเจตนาทานเกิดนะคะแล้วขณะที่ปรุงขณะที่ทำไปด้วยหั่นผักล้างผักอะไรอย่างนี้ก็คิดแต่ว่าสิ่งของที่ให้นี้สะอาดเนาะทำด้วยความปราณีตเนาะจิตก็สะอาดกายกรรมก็ สะอาดวัจีกรรมก็สะอาดโมโนกรรมที่เป็นไปก็สะอาดนะคะก็ขณะทาก็เป็นกายกรรมที่สุดจริตนะะแล้วก็ขณะที่เราพูดไปเนี่ยว่าวันนี้เราซื้อแต่ของที่ดีๆสดๆผักสดๆปลาสดๆซื้อแต่ของที่มีคุณภาพมาถวายเนี่ยวัจีกรรมก็เป็นไปกับวัจีทานที่เป็นกุศลมโนกรรมก็คือคิดถึงแต่ ที่จะทำยังไงให้ให้ผลที่ออกมาก็คืออาหารที่ออกมาเนี่ยค่ะให้ปราณีตให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเออเป็นโอชาไปหล่อเลี้ยงรูปประขันนะฮะของมหาผู้รับมาคะแล้วทำคิดตลอดนะฮะในขณะที่เอามาถวายทัดก็ คือขณะที่เป็นมุญจารเจตนาทัตก็เกิดปิติสมนัตด้วยทําปิติให้เกิดขึ้นแล้วขณะที่ทัตได้ถวายท่านไปแล้วหรือถวายพระองค์อื่นหรือใครก็ตามนะคะถวายไปแล้วก็เอามาตรึกคิดอีก mm hmm. ก็ปิติก็เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วใจกับกายมันจะเบามันจะสบายมันจะสดชื่นมันจะรู้สึกว่าเออ มันเป็นโชคมันเป็นโอกาสโอกาสที่เรามองเรามองเห็นอะไรมองเห็นอะไรเราทําอยู่นะมองเห็นอะไรเพราะว่าเชื่อเรื่องมองมองคือท่าเน้นเรื่องศรัท ธ, ธาทานนะคะคือทันเรื่องชื่อเรื่อง<ำ>ว่าในขณะที่ทําทุกขณะจิตตั้งแต่เริ่มมีมุนจัตบุพเพเจตนากรรมเนี่ยฮะเกิดขึ้นเนี่ยฮะเนี่ย เนี่ยคือกรรมที่เราทำในในปัจจุบันในเหตุเนี่ะก็มาจากอดีตเหตุด้วยแล้วก็จะเป็นผลในปัจจุบันผลนะคะก็เข้าใจกรรมในคือพยายามที่จะเข้าให้ถึงเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมที่เราจะได้วหวังอะไรหวังผลอะไรก็การพ้นทุกเจ้าค่ะ ว่า้องใช้สรุปน่นอนอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยค่ะท่านอาจารย์ จะไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามแต่นี่คือการสร้างให้กุศลจิตเกิดขึ้นโดยต่อเนื่องซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้าใครทําได้ประการนี้นะคะเพราะว่ า, าจิตจะอยู่กับมหากุศลเนี่ยได้อย่างยาวนานนะคะซึ่ง ต, ตัวนี้เนี่ยผลปรากฏก็คือปราโมปิติที่เกิดขึ้นนี่เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไข้ควรคแล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องะคะ่ะเพราะฉะนั้นผลอันนี้จะดีมากๆเลยแล้วก็ยิ่งถ้าผู้ กระทำได้เห็นว่าการกระทำอันนี้เนี่ยนะะเป็นไปเพื่อความสละเพื่อความขัดเกลานะะแล้วก็ได้ระลึกถึงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปถากเราตถาคต พึงดูแลภิกษุผู้ป่วยไข้เถิดนะฮะอันนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าปรารบ เ, าเป็นไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผลของกุศลที่เกิดขึ้นต้องให้ผล เ, เหตุตรงตามผลแน่นอนเพราะว่าปารบกุศลแล้วแล้วก็เป็นไปเพื่อการออกจากวัตฏะโยมว่าถึงแม้จะถ้าเราจะดูตามลำบบดับ แม้จะมองในทางนั้นไม่ไม่ครบท้นแต่โยมกลับให้ความสำคัญที่มหากุณสุนจิตที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานอันนี้มีมีนนยะที่สำคัญยิ่งจะาว่าตามความเห็นของโยมเลยอ๋ออาจารย์ว่าแล้วแล้วสามารถทำให้เกิดได้ยาวจริงยาวนานไหมได้จริงใช่ไหมเพราะเพราะมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างนี้ปะ่ะส่วนนี้ด้วยปะ่ะ ไปใช้จริงโอ้ oh, นี่นชื่นใจนี่สินี่สิอ oh, อันนี้คือนน ก็เลยง่ายเลยสะดวกเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็ก อ้าวโอเคดนันชัดเลยสาธุเลยเนี่ยนะ อนั้นก็ก็ให้ทำต่อไปเนาะทำต่อไปสาธุเลยสาธุเนี่นี่่าง น, นี้ชมลมก็ชื่นใจแล้วนะถ้ามีคนทำได้อย่างนี้เพราะการฟังธรรมที่ชมลมนี่น่าชื่นใจนอ้าวประธานชมลมแสดงความยินดี้น่อ เออไม่ไม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้ยินพูดอย่างนี้คิในเนี้ยเนี้อย่างนี้ค่อยชั่วนะรู้สึกขายเหนื่อยเงี้ยนะเอออ้าวเอาดิยอมยืดลองดูเอเอใช่ บอกเพื่อนๆบ้างเลยเนี่ยพูดไม่เป็นนะคะก็ะทราบว่าที่วัดสร้อยทองนะคะเป็นที่ที่อบรมให้การอบรมพระที่จะมาสอบรเรียนธรรมนะค ะ, ะก็เลยโทรไปถามว่า ค, คือคือเจ้าภาพอาหารเขาก็มีครบหมดแล้วก็เลยโทรไปถามท่านว่าท่านยังขาดอะไรอยู่ท่านก็บอก เ, ออเรื่องของกระดาษที่ต้องใช้เยอะนะคะที่จะต้องให้พระตอบปัญหา ก็เลยสั่งไปไปทำบุญนะเจ้าค่ะเพราะว่าคิดว่ า, าเพื่อเป็นการอนุเคราะห์าศาสนาทายาทที่จะสืบต่อพระัาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะขณะเดียวกันก็เมื่อไปแล้วก็นำพระาหารไปถวายพระพิสุ์ด้วยโดยน้อมก็บูชาพระพุทธองค์เหมือนกันก็คืออนุเคราะห์ ศาสนาไทยยาเจ้าค่ะก็ขณะที่มันก็มีอกุศลเกิดนะคะเพราะว่ามันต้องเร่งรีบในเรื่องของเวลาขณะที่ขณะที่เดินทางไปนะคะความที่กังวลกลัวว่าจะไม่ทันเวลาเพราะมีเวลาแค่ขึ้นชั่วโมงแต่ก็รู้พยายามว่าเออนึกถึงนึกถึงกุศลทุกอย่างที่ทำมาแล้วแล้วก็มันก็ไปทันเวลานะเจ้าค่ะ ไม่ทราบเพราะอะไรก็ทำเช่นนี้ทั้งสองวันนะคะอีกวันนึงก็ไปวัดวัดมหาธาตุเพราะทราบว่าท่านเพิ่งกลับจากอินเดียก็คิดว่าท่านอาจจะไม่ค่อยสบายหรือเปล่าก็เลยโทรไปแล้วก็เอาพัตถารไปถวายขณะไปก็เช่นกันนะคะขับรถไปก็ไปเจอกลุ่มที่เขาปิดถนนตายแล้วเหลือเวลาอีก สินาทีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มันวิธีจิตก็จะเกิดอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ไม่ไม่ได้รุนแรงอะนะคะเพราะเราก็ยังไงเราทํากุศลก็ถึงก็น้อมไปตลอดนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วที่จริงที่จริงของสภาพใจคงมีอ่นะแต่ว่าก็ไม่รู้จะกลั่นออกมาเป็นคําพูดยังไงบางครั้งพูดไม่เป็นอธิบายไม่เป็นค่ะ ความสคัญที่บางทีเนี่ ย, ยถ่ายทอดไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแต่ <S 2> <S 2> สําคัญที่ว่าขณะจิตเป็นอย่างไรมากกว่าฮะนะคะโยว่าให้ตรงนี้เนี่ยนะ ใ, ให้แต่ละคนใส่ใจตรงนี้ถ้าใครสามารถทําให้จิตของตัวเองเนี่ยวิถีขึ้นทีไรก็มีความสภาพเป็นกุศลได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอย่าไปกังวล น, นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าพอจังหวะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ประสบในขณะนั้นเนี่ยบางทีคิดอะไรไม่ทันก็ไม่ต้องกังวลเลย าหาเวลาในแต่ละวันหรือในแต่ละทิย์ที่เราจะทบทวนได้นะคะเพื่อเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่ได้ศึกษามาเพื่อความเข้าใจในเรื่องสิ่งที่ทำยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะพัฒนาตัวของมันเองไปนะฮะเพราะฉะนั้นโยมว่าในเรื่องของการที่ทำแล้วจิตจดจอ่จ อ, จอต่อเนื่องนะฮะต่อสิ่งที่ได้กระทำแล้วก็รู้สภาพว่า ให้รู้ชัดนี้คือกุศลนี้คืออกุศลให้รู้ชัดนะคะลักษณะสังเกตรเรื่องของอาการของจิตนะคะเพื่อเป็นการที่จะเอาสิ่งที่รู้มาแก้ไขพัฒนาต่อไปอ่ะนะคะโยมว่าสําคัญกว่ายัางโยมเนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่อาจจะตรึกหรืออะไรต่างๆที่จะมาพูดได้เยอะนะคะแต่ในสิ่งต่างๆที่โยมว่าสําคัญมากคือสภาพจิตที่จะเกิดกุศลได้บ่อยๆซึ่งโยมยังไม่ใช่คนที่เป็นอย่างนั้นนะะ่ะนะคะยังเป็นสิ่งที่ต้องต้อ ง, ต, องต้องฝึกต้องอะไรเยอะแล้ว บางครั้งเราก็จะเอามาคิดว่าเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของอาชีพซึ่งอันนี้ถามว่ามีส่วนไม่มีส่วนแต่ถ้าคนสามารถที่เก่งมากนะคะก็สามารถที่จะต้านได้แต่โยมยังเป็นสิ่งที่ผู้ยังต้องต้องฝึกอยู่อีกเยอะแต่รู้เลยว่าสิ่งที่ช่วยได้เยอะมากๆคือบทสวดธรรมจักรอริยสัจสี่เนี่ยค่ะจะเมื่อฟังทีไรเนี่ย จะช่วยตัวเองได้มากมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือที่จะบอกกล่าวเพื่อว่าแต่ละคนเนี่ยหาข้อธรรมหาข้อในของตัวเองที่ให้เจอเพื่อที่จะเป็นจุดที่เมื่อเวลาท้อถอยจากกุศลแล้วจะมีอะไรเล่าที่พระสูตรใดอันใดที่จะช่วยเราได้นะคะอันนี้แต่ละคนก็จะมี <c oughs> มีมีแต่ละอย่างที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องหาสิ่งต่างๆพูดนี้ให้เจอเจ้าค่ะ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่จะต้องคือบางครั้งเนะียบางครั้งมันอาจจะอธิบายขยายออกไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับทางเหมือนกับดรรัฐดางี้ใช่ไหมบางทีก็เองไม่รู้จะพูดออกมาไงแต่จริงๆจริงๆมันมันมีอยู่ใช่ไหมสภาพของจิตที่เป็นกุศลมันมีอยู่แต่เวลาเราจะเลียงลําดับเหตุการณ์ที่จะกล่าวนี้ไม่รู้จะกล่าวยังไงอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ประเด็นประเด็นจริ ง, รงๆก็คือเราเดินกุศลได้ เมื่อตกจากกุศลก็สามารถตั้งหลักได้เร็วขึ้นนะได้เร็วขึ้นไอ้ตรงเนี้ยก็เพราะตกก็ตั้งหลักใหม่ตกก็ตั้งหลักก็ือล้อมลุกไงนะใหม่ๆก็คือล้อมลุกคุ่คานกันไปอย่างเงี้ยในส่วนจริงก็จะแข็งแกร่งได้นะเมื่อกุศลแข็งแกร่งได้แต่นี้ก็ตรงนี้นี่แหละที่แบบเขาเรียกว่าการการที่จะฝึกการที่จะตั้งทีนี้ถึงตั้งตั้งในอย่างที่ยอมพูดไว้ตลอดว่าต้องตั้งอัธยาศัยบ่อย ตั้งมากๆตรงนี้เป็นแรงกระตุน้นและอย่างหนึ่งก็คือบางท่านก็อาจจะมีหลักอะไรที่เป็นตัวยึดโยงเช่นถ้าโยมยิงญาณก็จะนึกถึงบทอริยสัจอันนี้ก็พอฟังปุ๊บก็เตือนสติกลับมาหากุศลได้รวดเร็วขึ้นอย่างเี้นะแล้วพวกเรามีอะไรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะอาจจะเป็นหลักพุทธทั้งนั้นๆก็ชามีหรือหลักอะไรก็แล้วแต่หรือบางท่านแค่นึกถึงพระเจ้าแค่นี้ก็พอแล้ว เขาไม่ต้องมากเลยเนี่ยนะหรือเพียงได้ทักได้ยินคําสอนสักคาหนึ่งเท่านั้นแหละก็สะดุ้งสะเทือนแล้วอย่างนี่ยบางท่านก็อาจจะหาใหม่ครับแต่บางท่านนี่เพียงแค่นึกถึงพระเจ้าแค่นี้ยนะแค่นี้ก็ไปแล้วแต่บางท่านก็อ้าวก็ช่เห็นไหมเนี่ยก็อัธยาสัยที่มันกระตุกใจได้แรงมาก ชาติที่ปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกนี่นะนนะก็คือเป็นมหันตภัยเลยนะี่นี่ก็เราก็จะมองเห็นทั้งสิ้นนะบางท่านก็มองมองตรงนี้เบ็ยดเสียดก็เข้าใจทันทีว่ามันสาหัสสากันขนาดนนะี้ใช่ไหมมันมันกระแทกใจมากไอ้คําว่าชาติทุกคำคำเดียวนี่เนะี่ยมันไม่ใช่เห็นชาติทุกของตนเองเท่านั้นนะี่เห็นชาติทุกของศาตว์ทั้งหลายที่กำลังกระเสือกกระสน สับสนวุ่นวายกันเต็มไปหมดเนี่ยแค่บางท่านเนี่ยนะคุยคุยกันไปแล้วไปเนี่ยเพียงเห็นคนเดินฝักใฝ่ไปมาอยแค่นี้เข้าใจเลยเนี่ยว่าเขาเดินมาอยู่ในในสภาพของชมพูทวีปแต่เขาขาดปัจจุบันเขาขาดเขาขาดปัจจุบันอาเหตุที่ถูกต้องเราเข้าใจเขาเลยถ้าเขาได้ ได้หนึ่งได้ครบรายานนะมิตสองได้ฟังพระสัทธรรมนะสามเขามีโยนิโส ม, มนะัสิกาเนีขาจะไม่เป็นอย่างนี้ทั้งท้ ง, ท, ง, ท, งที่เขามาอยู่ในถิ่นที่ที่โอกาสก็เอือ้อพอสมควรด้ซ้บไแต่ด้วยความที่เห็นไหมเนี่ยด้วยความที่เขาไปไปผิดพลาดในด้านของปัจจุบันกรรมของเขาแล้วอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตเขาจะเป็นยังไงบางทีไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกถึงญาติมิตรหรือคนรู้จักเนะี่ย ที่เขากําลังประกอบกิจที่ผิดที่พลาดเนี่ยแค่นี้ก็นั่งบางท่านเนี่ยนั่งน้ําตาไหลนะนั่งน้ําตาไหลคนที่เข้าใจวงจรของเหตุผลชัดเจนเนี่ยแล้วเขาจะทํากันอย่างไรใช่ไหมแล้วชีวิตเขาจะไปยังไงแล้วเขาลําบากกันขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาประกอบกรรมชั่วที่จะทําให้ตัวเองลําบากในการต่อไปเนี่ยเยพราะเขาไม่รู้จากเหตุผลที่ชัดเจนเนี่ยแค่นี้เพราะเขาไม่รู้จากชาติที่ทุกข์ชะลาทุกข์อย่นึ แค่มองแค่นี้ยมันก็ไม่อยากคิดต่อแล้วบางท่านไม่อยากจะคิดต่อแล้วพอคิดไปแล้วไอเราก็ไม่ยิ่งใหญ่พอใช่ไหมไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะชี้ตูมให้เห็นเขาเห็นนรกได้จริงๆเน<ม>ี่ยชี้ตูมให้เขาเห็นกรรมและผลของกรรมชัดเจนใช่ไหแล้ว เ, เราไม่ยิ่งใหญ่พอจริงๆเนีมันนึกในใจโอ้โหไม่ใช่ฐานะเราจริงๆ ม, <laughs> มันก็สาทุ ก็ก็ได้ก็ถึงบอกไงต้งบอกว่าบางทีเนี่ยนี่นะถ้าถ้าไปอยู่ในกลุ่มหรือในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนอามาอยูเย่เหมือนอาตมาอยู่ทั้งแต่ละบุคคลที่เข้ามารู้จักนี่นะต้องชี้แล้วชี้อีกบอกแล้วบอกอีกนะีกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกเนี่นะบางทีนั่งกลับไปนะี่มันมันขนาดนั้นเลยนะไอเราก็ปัญญาขนาดนี้ใช่ไหม เราจะชี้ยังไงจะบอกยังไงจะใช้วิธีการยังไงก็คิดแล้วคิดอีกเลยสารพัดเนี่ยไม่ง่ายเลยถ้าเราไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่มีข้อมูลเลยนะอย่างมาอยู่เนี่ยไม่มีข้อมูลเลยไปต่างๆเนจ้าค่าทําบุญมาทำยอมเจริญกุศลเยอะๆนะก็ทําอยู่นี่แหละเอาทําไมไปค่าไก่ยค่าเป็นอ๋อชีวิตก็ต้องทามอแล้วเราก็เอาแล้วก็ต้องบอก ว่าเขาจะเป็นยังไงบางทีไปบินตาบาดโอ้ยพระมาแล้วใส่บาดฝ่ายฝ่ายสามียังทุบคอไก่เปืปปป้อกๆตัวหน้าอยู่นั่นเลยเนี่ยนะไก่ก็ร้องก๊อกกอกกอยู่นั่นแหละแฟนก็ใส่บาดต้องคิดดูเหว่ า, ว, าว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงเนี่ยหรือบางทีไปเดินบินตาบาดเนี่ยกระจายเต็มหมดพวกกระทบหัวปลาตึกตึกก๊กอยู่นี่นะเอาเอาตัวไหนเอาเอาตัวไหนก็ทบตัวหน้าต่อตาเลองนึกลองคิดดูอยู่อย่างนี้ แ ล, แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตก็เจอแต่อย่างเงี้ยครับ ท, ทุกวันออกบิาบาตนี่นะต้องบอกโอ้โหบางทีก็มาหาเราอยากจะคุยกับท่านอาจารย์หน่อยมามันนั่งคุยคุยอบอกปะบางคนก็อยากจะมาระบายเราฟังเสร็จก็จะกลับแล้วจะทำยังไงในชีวิตก็จะเป็นใช <laughs> ่ไหมมันไม่อยู่อย่างนั้นไงอยู่ในสิ่งอย่างนั้ น, น, นดูว่าธรรมดาธรรมดาอ่านง่าย แต่ช่วยคนได้เยอะเลยอย่างหนังสือแสงสองใจของสมเด็จพระสังฆราชค่ะเป็นหนังสือที่ช่วยให้คนทั่วไปธรรมดาเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็จะมีความที่จะทำตัวเองให้เป็นคนดีได้อย่างไม่ยากนะท่านสามารถนำพระธรรมคำสอนของชระเามามาเข้าสู่ให้คนเข้าใจได้อย่างมากเนี่ยซึ่งตอนนี้โยมเริ่มอ่านใหม่ค่ะแล้วยมก็จะไฮไลท์เป็น จุเป็นช่วงๆพอดีโยมไปธรรมสภาเขาได้ทําเป็นแบบนี้นะคะเพียงแต่โยมจะขยายผลจากส่วนที่เขาทําโดยการมาอ่านแล้วก็รวบรวมแล้วก็ไฮไลท์บางจุดนะคะขีดเส้นใต้เพื่อขยายความแล้วก็ให้เห็นว่ามันจากหนังสือเล่มไหนเพื่อความสมบูรณ์คนจะได้อ่านในเล่มนั้นท่านนํามาสอนอย่างไม่ยากแต่จะช่วยคนทั่วๆไปพื้นฐานชาวบ้านทั่วๆไปได้อย่างดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีวิธีการถ้าเรามาคิดถึงอย่างที่เราศึกษาเราเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นตรงนี้เนี่ยมันช่วยคนหมู่แคบเท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีธรรมะในระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าให้ธรรมะอย่างกว้างขวางเลยเช่นพระองค์ก็จะเห็นว่าผู้นี้เนี่ยเอาถึงว่ า, าได้สน า, านคมหรือผู้นี้สามารถได้จึงกระทั่งให้ถึงอนุปุปพิกขาถาเป็นต้นนะคะก็เอ า, เอ า, เอาวิธีการที่พระองค์เนี่ยได้ทรงแสดงไว้ให้เราดูเนี่ย มาเปิดเผ ย, ยมาทําให้แจ้งขึ้นนะค ะ, อะสอนคนทั่วไปเอาหนังสือทั่วไปที่ไม่ต้องยากเลยให้เข้าใจเรื่อง อ, อย่างแม้กระทั่งพุทธประวัติให้รู้จักพระเจ้าก่อนก็อย่างที่ว่าไม่ซับซ้อนเลยนําเสนออย่างอย่างง่ายดายแล้วยิ่งคนจนมากเท่าไหร่หรือคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเวลาเขาก็มีนะคะความทุกที่มีอยู่ความยากจนที่มีอยู่อาศัยคนเนี่ยก็ปรารถนาที่จะมีพพชาติที่ดีกอดอื่นพระเจ้าให้ตั้งแต่ ประโยชน์สูงในชาตินีปนน้ประโยชน์สูงชาติหน้าประโยชน์สูงสุดชี้ให้เขาเห็นชี้ให้เขาเลือกนะคะชี้ให้เขาเห็นว่าเขาควรจะทําอย่างไรเป็นอะไรที่นําเสนอไม่ยากแล้วก็ให้ทํากุศลทุกครั้งอธิษฐานนี่ค่ะคือเรื่องยิ่งใหญ่เพื่อให้เขามีชาติเชื้ออาชาสัยที่จะได้พบพระเจ้ า, ชาองค์ต่อไปพอเรา ท, ทําเช่นนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างคือ1เราได้ดําเนินตามถ้าทำคำสอนหนึ่งในพุทธบริษัทที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้ข้อที่1 น, นะคะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ ธรรมะที่เราได้ข้อที่ 1, ข้อที่2เราได้ตั้งจิตเราได้มีส่วนที่ได้อนุเคราะห์ผู้คนข้อที่3เราได้ส่งต่อให้พระเจ้าองค์อื่นให้ท่านทำงานน้อยลงนะคะยงว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยแน่นอนเจ้าค่ะ ก, ก, ก็ก็เป็นเรื่องที่ ท, ท, ที่ก็ควรระดมช่วยกั น, น, นก็เพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับต่างจังหวัดเนี่ยเขา แยกบุญแยกบาปยากจริงๆอคุศลคุศลนะคุศลมันไม่ง่ายจริงต้องต้องช่วยกันนะาช่วยกันไม่ช่วยกันหมดเวลาแล้วสา